จะแห่กันอะโมทนาด้วยวันนี้วันพระใหญ่ก็ว่าวันนี้เป็นวันนอกจากวันมาฆะบูชาแม่ของ เป็นวันที่พระสงฆ์ 1250 รูปมาประชุมกันโดยก็อัลหาน 1250 รูปเป็นพระ 1250 รูปมาประชุมได้กันหมดแล้วก็พระ แล้วต่างคนต่างมาก็ได้นัด 1,250 รูปมารอฟังธรรมจากพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า รักษาใจของตัวเองก็นี่แหละบุญสัพปาปัสสะอกะระณังการไม่ทําบาปกรรมทั้งปวงไอ้ที่ทํามาแล้วก็ตนได้เสียใจว่าพลาดพั้งไปแล้วทํา <c oughs> กรรมนั้นฆ่าใครที่รุนแรงมากหล่อจะไปเกิดใน มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยสม่ำเสมอมาประพฤติปฏิบัติธรรมฝั่ง ขอถามสัจจตปริโยทปนังการชําระจิตของตนให้ 3 ข้อนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุก อาติผิดไปแล้วก็เออขอขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเณรขออโหสิกรรมซะแล้วก็อย่า อาโหติกรรมทั้งหมดให้อภัยทั้งหมดไม่มีแค้นเกลียดค้างขาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอะไรก็ บุญใดมีอยู่ในใจของตัวเองนั่นแหละมันก็จะเป็นแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าละ บาปกรรมใหม่ก็ไม่ละกรรมบาปกรรมเก่าบาปกรรมใหม่ให้ผลโอ้อย่างนี้ มันมีทางเป็นความสุขควรเจริญได้มันก็ต้องในเรามีบุญกุศลที่อํานาจความดีที่เราทํามาทั้งได้เอ่อก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จิตใจไม่ให้เสาะมองมันก็เป็นบุญนะเนี่ย เอ่อบุคคลทําให้เรามีแต่ความทุกข์ความเจริญสิ่งใดที่มันพางผาแข้นเคืองนะสำรวจ และเรามีอะไรมาค้างในใจเราค่อยๆละไม่ได้มีความสุขความเจริญความผาสุกมีความ เราใช้ญีกรรมเก่าก็ไม่หมดแล้วพอแล้วพอแค่ รักษาใจให้ดีรักษาบําเพ็ญบุญรักษาใจของตัวเองให้ดีรักษาใจได้ก็ได้หมดแต่ เมื่อใจมันปล่อยคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยมันก็มีความทุกข์ความเครียดกอกเกี่ยวห่วง ปล่อยให้คิดเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านไปเรื่อยโดยไม่มีเมาอนาคตเป็นธรรมเมาอย่า ก็ท่านรู้อยู่กับอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะเอาหรือรู้อยู่กับ จิตคิดในทุกปัจจุบันได้ทุกคิดมันคิดอะไรก็สามารถรู้มันได้ทุกคิดมันสับแต่ว่ารู้ได้ทุกคิดพอสติมาฝึกให้ตื่นครับมันไม่ได้ ถ้าเป็นคิดไปทุกไปมันจะอ่อนแอมันคิดไปมีอารมณ์ไปคิดไปทุกข์ไป กายลูกกายเคลื่อนไหวหรือส่วนไหนบริกรรมก็ให้รู้อยู่ว่าตัวเองกําลังบริกรรมอะไรอยู่เช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือมัน โลกก็คิดเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินแต่คนเราเนี่ยเอาไปคิด จิตกับรู้มันคนละตัวกันนะมันไม่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันมัน มันไม่ต้องการความเข้าใจหรอกรู้อ่ะคือมันรู้ของมันเลยเป็นจอกๆๆอยู่มันก็รู้มันไม่ต้องการความเข้าใจอะไรเลยมันรู้มันรู้ถึง มันทำยังไงมันคืออะไรความหมายของมือที่ยกขึ้นมันคืออะไรมันไม่ต้องการความ มันไม่ต้องถามเลยมันรู้เลยเนี่ยโกรธเนี่ยเอออันละพ่อแม่กูบาเนี่ยหรือนี่ถามอยู่หน้าแหน่ะอะไรเป็นรู้อะไรเป็นคิดเลยตบ เออเจ็บรู้แล้วว่าเจ็บโมโหโกรธอาจารย์โกรธรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วไม่ต้องการขอเข้าใจเลยว่าโกรธเป็นยังไงถามอยู่นั่นแหละอะไรเป็นรู้อะไรเป็นคิดอะไรพยายามจะพยายามเข้านะมันจะเป็นคิดทั้งหมดอ่ะวันๆนั่งคิดไปเผลอเจอคิดถึง ตั้งแต่นานการดึกดำดวนตั้งคุยทีๆจิตไปเรื่อยตั้งแต่สมัยอนุกลถุนใส่กระเป๋าไม่จบอ้าว คอยอยู่นั่นแหละถึงทํางานแล้วก็ไปมันฟุ้งซ่านเฝ้าเจอมันจบไม่จบแล้วไม่ลูกลูกคนนั้นลูกคนนี้ไปกังวลสามีภรรยา <ondu> มีอาการยังไงมันก็ได้แต่รู้เพราะรู้มันไม่เปล่ามันก็รู้ทุกอย่างได้จากที่ พอมันคิดไปมันไม่เป็นรู้รู้มันว่างอย่างเดียวเพราะรู้มันเป็นธาตุว่างมันรู้ได้จาก หยังมันรู้ทั้งวันมันคิดอะไรก็รู้เป็นแล้วทําอะไร สิ่งที่มันปรากฏก็รู้ในรู้ที่อาการที่มันแสดงในให้ให้ใจได้รู้ในปัจจุบันรู้เนี่ยมันรู้อันที่สิ่งที่มันเกิดขึ้น รู้เนี่ยเราเห็นพ่อแม่ครูบาเนี่ยตัวท่านจะมีชีวิตอาทิตย์เลยมาหาเนี่ย สว่างดั่งดวงอาทิตย์เพราะรู้เนี่ยมันมีกําลังดั่งดวงอาทิตย์ว่างเปล่า มันไม่เป็นรู้เนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ดําคําเทียดองค์แต่งฟูมฟ่านไปเรื่อยตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้เพ่งเนี่ยไปรู้ของคนอื่นมันก็ไม่ มันไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะคิดแต่มันเอาตัวเองไปคิดเราเคยเราสอนเสร็จเออเค้าสอนจริงเค้า กำลังคิดว่าเขารู้จริงไม่รู้จริงๆตามพวกนั่น เพราะแหละมันรู้แต่คนอื่นรู้ เออตัวของตัวเองไม่รู้อยู่อย่างเดียวรู้แต่ของคนอื่นเรื่องคนอื่นรู้หมดใครเป็นรู้สารพัดจะรู้เนี่ยแหละเนี่ยพ่อแม่ รู้ทุกคิดแม้แต่กิริยาอาการที่ไปรู้ซะก็มันคิดปรุงแต่งไปเป็นรู้ถ้ารู้ทุกคิดได้ก็ฤทธิ์รู้ บางท่านเนี่ยผ่านป้ายโฆษณามีป้ายโฆษณาแทนที่ท่านจะ ท่านคิดอะไรท่านก็รู้หมดว่าจิตของแวบจิตมันอ่านป้ายโฆษณาท่านก็เห็นจิตมันกําลังอ่านอ่ะเออคิดก็เนี่ยงั้นครูบาอาจารย์ หลายคนก็ฝึกตามที่หลวงปู่ดูลท่านสอนคิดเท่าไหร่ไม่รู้ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่รู้นั่นแหละหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดก็ต้องมันก็อาศัยคิดให้เป็นเครื่องรู้นี่ไงเออแล้วรู้อะไรล่ะก็รู้คิดนี่แต่รู้จิต แล้วนางสุชาดาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าใครดูในหนังพระเจ้ามหาตรัสตถาโลกตอนที่พระแต่มันทําไม หลวงจาบอกว่าไม่ต้องเข้าใจให้รู้ออกให้รู้จักใจไม่ต้องเข้าใจที่พูดเนี่ย ดูที่ใจดูที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจพอตาคนอื่นเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยเห็นผู้หญิงหล่อเห็นคนนั้นทําอะไรไม่ถูกใจเราเห็นคนนี้ทําอะไรไม่ถูกใจ มันมีอารมณ์กับเขายังไงมันติดมันต่อมันว่าเขายังไงท่านสับตะวันรู้ใจของท่านท่านไม่ไปว่าใครแต่ท่านสับตะวันรู้ใจของท่านที่ไปว่าเขางั้นท่านรู้ที่ คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้น โอ้เมื่อได้ยินเสียงเขาใจมันคิดอะไรนึกอะไรมันถูกต้องว่าอย่างไรมันพอใจไม่พอใจเขายังไงก็สักแต่รู้ใจเราสักแต่วรู้ใจเราอย่าให้มันไปบีบอารมณ์ร่วมกับใจเราอย่าให้มันหลายไปมีอารมณ์ร่วมกับความคิดของเราให้ ท่านรู้ที่ใจของท่านตลอดเวลาท่านไม่เป็นรู้ในสิ่งที่ตา อาการที่มันปล่องโล่งบ่าวสบายท่านไปดูอาการที่มันปล่องโล่งบ่าวมันคิด อาการที่มันโปกโลกบาสบายอาการของใจที่มันได้โปกไม่ลงไม่ไม่เบาสบายใจมันไปคิดไปนึกไปตื่นไป สติของท่านน่ะตั้งอยู่ที่ใจรู้ที่ใจรับที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจตลอดสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่ต้องอาศัยสติมันเป็นของคู่กัน เพราะสติมันไปตั้งอยู่ที่คนอื่นมันเลยไปรู้เรื่องคนอื่นมันเลยไม่ เหมือนกับมีพระอาทิตย์ 2 ดวงน่ะมันสว่างสวยดุจกับโอ้รู้นี่มันมีกําลังมากแต่ไปหลงคิดอยู่เนี่ยมัน สติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันความรู้หรือพุทธะเนี่ยที่เป็นธาตุรู้เนี่ยมันต้องอาศัยสติถ้าสติตั้งที่ใจรู้อะไรก็ให้สติมันรู้ที่ใจของเราไปเห็นอะไรก็ให้สติมันรู้ที่ใจของเราว่ามันคิดนึก มีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรต่อเสียงที่เราได้ยินเนี่ยอย่างเสียงที่เราพูดเนี่ยบางคนก็เออคิดยังไงพอใจไม่ธรรมดาพอฟังเสียง ถูกต่อไปหมุนผิดว่างรับค้านว่าพอใจว่าไม่พอใจ ศัพท์ณรู้ที่ใจของเราที่แน่สติมันตั้งที่ใจของเราเรา อย่าไปตั้งไว้ที่คนอื่นอย่าไปตั้งไว้ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสเสียดสี หาจบไม่มีมีจบเสียเต็มกระเพืไปเรื่อยอย่างเงี้ยแก่จะตะมันก็แก่จนอายุก็จะตายแล้วนับจบสิ้นๆมาเรียนประถมนู่นน่ะ อยู่ได้กัน 2 วัน 3 วันก็เล่าไปจบเล่าอยู่อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้มันไม่ไม่ได้ฝึกนะมันน่ะเนื้อไม่ได้กินหนัง แต่เราไปโทษเขาเนี่ยใจเราเซาะมองเองให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละ เราไม่รู้เลยว่าใจเราคิดอะไรมีอารมณ์อย่างไรมีความรู้สึกตัวสิ่งนั้นอย่าง แต่มันต้องอาศัยสตินี่นะปุจจัง